นฟังที่รคัท่านกลังอยู่ในชว่วงเวลาของรายการสันสนียมสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มร้อยหเราเพิ่งผ่านการฟังพระมารชาคาวโรกันไปนะคะก่อนหน้าที่จะไปสู่ช่วงที่สองคือเปิดทําที่ถูกปิดด้วยผู้ทวัจนะดิฉันขออนุญาตท่านไปบุญไว้แล้วว่าจะประชาสัมพันธ์งานที่ดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมมาโดยตลอดก็คือโครงการ บุระปฏิสังของสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าณลุมพินีสถานประเทศเนปาลมีคุณหญิงสุรารัฐเกยุราพันธ์เป็นประธานดำเนินงานเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งจะมีการจัดงานลุมพินีแห่งศรัทธาพุทธบูชาถวายพ่อแม่ของแผ่นดินเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน9้าโมงเช้าซึ่งกิจกรรมเขาก็จะมีหนักไปทางตอนเย็นนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของทุกวันเนี่ย จะมีกิจกรรมให้ท่านทั้งหลายได้พบพระฟังธรรมสวดมนต์เมื่อวันที่ผ่านไปมีเรื่องร้อยเรื่องลุมพินีโดยท่านเจ้าคุณราด ร, รัตนะรังสีพอถึงวันถั ด, ถดมาก็จะมีการแสดงธรรมและสวดมนต์ของพระสงฆ์ในช่วงของทุกวันนั้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเหมือนกันวันนี้นี่จะเป็นพระอาจารย์คือกริตโสติพโล ะะท่านจะมานำสวดปฏิจจสมุปบาทส่วนในวันต่อไปก็จะมีทั้งคุณแม่ชีสันสนีสเทียนสุดมีท่านเจ้าคุณวัดสุทัศน์นะคะมีท่านวอวชิระเมธีมีพระมหาสมปองเป็นต้นเพราะฉะนั้นใครผ่านไปที่บริเวณเซ็นทรัลเวิ d ์อดีต World Trade Center เก่า ที่ลานเขาเนี่ยนะคะตั้งแต่หกโมงเยนก็แวะไปร่วมกิจกรรมกันซึ่งก็จะมีการนําเอาแผ่นทองที่เคยได้ให้ท่านได้รับไปเขียนกันเนี่ยกลับออกมาด้วยนะคะวันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันพอสมควรเพราะพรุ่งนี้บ่ายนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ได้เวลาที่จะไปพบกับพระพบูุต์อภิปุโนกันแล้วคะ่ะกลับมาส ก, การกับท่านคะเช่นพานขออนุญาตนะคะที่จะใช้เวลาได้ยินว่าท่านพูดว่าอยากจะพูดถึงเรื่องความกลัวใช่ใช่ใช งั้นตรงประเด็นเข้าไปเป้าหมายที่ท่านต้องการเลยดีกว่าค่ ะ, ะความกลัวเนี่ยคิดว่าบุคคลที่ยังไม่บรรู้เป็นบารันทุกคนก็จะมีและแม้ตัวพระเจ้าเองตอนที่เป็นพระอทิตยสัตว์อยู่ในสมัยที่ยังทําความเพียรนนก็มีความกลัวเหมือนกันทนีนี้ความกลัวที่ที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นลําดับขั้นตอนที่แม่ลึกซึ้งมากนะหย่อมติ๋ก็เลยจะมาแบ่งปันให้ฟังอ คุณผู้ชมพูดถึงความที่เรามีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์คือพูดถึงอกุศลธรรมเนี่ยสมมติว่าเราไปอยู่เราไปอยู่ที่มืดมืดเปรอะเปียวแต่เราก็รู้สึกเฮ้ยมันจะมีผีไหมเนาะได้ยินเสียงกึกกักอะไรตรงนี้มันอะไรก็นแน่เนี่ยเราจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะกลัวทั้งหลายแหล่น่ยไม่ว่าจะเป็นกลัวคนที่มีกําลังกลัวผีกลัวกลัวไม่สําเร็จกลัว พูในที่ชุมชนกลัวความสูงทั้งหมดเนี่ยคือความกลัวเหมือนกันนะคือความกลัวเดียวกันเป็นชื่อเดียวกันนะค่ะทีนี้ความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถ้าคุณทําความไม่ดีทําความอกุโสลธรรมมีความพูดไม่ดีเป็นต้นผิดศีลเป็นต้นมีนิวันเป็นต้นแล้วคุณมีความกลัวเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าสมควรแล้วนะเพราะว่าคือคุณควรจะกลัวบาปนะสมมุติเราทําความไม่ดีทางวาจาไว้เราไปอยู่ในที่มืดกลัว ว่าเอ๊ะนี่มันอะไรผีหรือเปล่าสมควรแล้วเพราะว่าคุณทําความไม่ดีเอาไว้เนอะเป็นลักษณะของความกลัวของคนที่มีอากุศลธรรมเนี่ยมีอากุศลธรรมเนี่ยเวลาที่มีอะไรมาเสี่ยงต่อชีวิตมันจะมีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้ก็ก็สมน้ําหน้าเอางั้นเถอะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มีพวกนี้เราไม่มีอากุศลใดๆเลยากลายวาจาใจเราก็บริสุทธิ์เราก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะเอ๊ะทําไมเรายังมีความกลัวอยู่ความกลัวประเภทนี้แหละที่เราจะต้องกําจัด เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความกลัวที่เกิดจากเอความชั่วเนีไม่ได้ว่าเป็นหฮริออตาปะนะคืออย่างพระอรหันต์หรือว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายแหละเนี่ยยังมีความกลัวนะคือความกลัวเนี่ยที่อรามาเคยพูดไปรายการตอนนานแล้วแหะว่าถ้าคุณจะกลัวพูดในที่ชุมชนกลัวผีกลัวอะไรให้กลัวบาปดีกว่าอ่ากลัวบาปลักษณะเดียวกันว่าถ้าเราจะทําบาปอุ้ยกลัวไม่ทําดีกว่าโอ้ยเราจะพูดโกหกโอ้ยไม่พูดดีกว่าเราจะฆ่าสัตว์โอ้ยเราไม่ทําดีกว่ากลัวนะนี่ถึงจะดี แต่ถ้าคุณทำไปแล้วนะคุณกลัวแน่นอนนะประเด็นคือว่าถ้าเราไม่ได้ทําเราไม่มีแล้วเรามีความกลัวเกิดขึ้นนี่แหละนี่แหละตัวดีเราจะต้องเอาตัวนี้ออกไปให้ได้นะตัวนี้คืออะไรพระพุทธเจ้ามีนะตอนที่เป็นบริษัทอยู่นะไม่ได้มีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ไม่ได้มีกรรมทางวาจาไม่บริสุทธิ์คืออกุสโตรดังอคูสโตรธรรม16อย่างต่างๆเนี่ยก็ได้เอาออกไปหมดแล้วไม่มีแล้วตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วไปอยู่ป่าแล้ว แลก็เลยไปอยู่ป่าที่เรียบกว่าแม่มันน่าสะพรึงกลัวน่ะไปอยู่เสร็จปุ๊บมีนกยุงทํากิ่งไม้ตกลงมานะมีอะไรขยขุกขยิกปุ๊บมีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยมีความกลัวเกิดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยอยู่ในอิริบดได้นะอยู่ในอิริบดได้ก็อยู่ในอิริบดนั้นเพื่อจะแก้ความกลัวนะสมมุติยืนอยู่มีความกลัวเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ยืนฝืนแก้ความกลัวนั้น ที่พูดตรงเนี้ยตรงเนี้มันเป็นเป็นลักษณะของอุปมาอุปไมยนะคือถ้าเดินอยู่มีความกลัวเกิดขึ้นมาก็ฝืนเดินแก้ความกลัวนั้นนะทีนี้ว่าประเด็นที่อาจารย์ต้องการพูดก็คือว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พรูเจาบอกว่าถ้าเรามีความกลัวอยู่คุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแล้วแก้มันจะ้ะค่ะทำไมถึงว่าอย่างนั้น เพราะว่าถ้าเราไม่เผชิญหน้าความกลัวเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวมันว่าเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงมันเหตุเกิดมาจากอะไรเราจะไม่มีปัญญาในการที่จะจะเอาละมันให้ได้คือถ้าเราหนีอยู่เรื่อยกลัวหนีไม่เอาไม่ทําเลิกอย่างคนจะวิ่งอย่างเงี้ยไม่เอากลัวเหนื่อยไม่วิ่งนะหรือว่าจะจะทำการค้าขายไม่เอากลัวไม่สําเร็จนะจะเปลี่ยนงานไม่เอากลัวว่างานจะไม่ดีกลัวไปหมดแล้วมันจะทําอะไรได้แล้วคุณไม่เคยเข้าใจความกลัวเลย เพะนันเราจึงต ok cool er ้องให้เผชิญหน้ากับความกลัวแต่อันดับแรกก่อนนะเรากําลังพูดถึงความกลัวที่หลังจากที่คุณไม่ได้ทําความชั่วความไม่ดีเหล่านั้นมาก่อนนะความชั่วความไม่ดีเช่นมีการวาจาใจไม่บริสุทธิ์เป็นต้นถ้าคุณเลิกแล้วไม่ทําแล้วไอ้ความกลัวที่เหลืออยู่นี่แหละเราต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อที่เราจะได้รู้จักมันอย่างจริงๆจังๆแล้วเราจะละมันได้ดูอย่างคนที่กลัวไม่กลัวที่จะผู้ในหน้าที่ชุมชนอะ นะพอคุณฝืนขึ้นไปพูดฝืนขึ้นไปพูดฝืนพูดผิดบ้างพูดผิดถูกเขาหวัวเรายาะบ้างผ่านไปห้าครั้งสิบครั้งสบายแล้พูดอย่างไม่มีปัญหาเลยนั่นน ค, คือหลักการเดียวกันที่ว่าคุณเผชิญหน้าความกลัวก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี้แล้วก็มีปากนี้แล้วก็เป็นคนมีสีนี่ทำไมฉันจะพูดไม่ได้คเราฝืนกลัะไปฝืนไปนั่นเะดี๋ยวคุณใช้ได้เองนั่นเะช่นเดียวกันกับที่พุช่ายืนก็ฝืนยืนนันะ่นแก้ความกลัวนั้นว่างอันเถอะ อันนี้ดีมากนะสำหรับพวกที่แบบว่ากลัวก็กล้ากลัวไม่มีความกล้านะค่ะคือบนคนกลัวต้อมเนกลัวจริงๆนะคะกลัวกลัวกลัวจริงๆกันมะบ้างเคยเชอท่านคุณบุญคกาพูดถึงความกลัวที่ฉันว่าคนที่เห็นคนที่เขากลัวมากๆแล้วกลัวในสิ่งที่ไม่ค่อยน่ากลัวเราจะก็เริ่มชักยอมรับเหมือนกันว่าเออมันมีอยู่จริงๆนะไอ้ความกลัวมากๆ เพราะอย่างกับดิฉันเนี่ยก็เห็นมีเพื่อนบางคนนะคะกลัวอย่างเช่นกลัวแมงมุมนะคะกลัวฟเบียพวกเนี้ยน ะ, ะ, ะประเภทนั้นเลยกลัวเกินอย่างนั้นอเปล่าค ะ, อ, ะอันนี้ฟเบียเนี่ย เ, เราเราต้องเป็นเป็นลักษณะของโรคที่เราต้องไปพูดถึงเรื่องเวทนากันภาวนาก็จะช่วยได้อยู่อันนี้เรากำลพูดถึงความกลัวที่ที่มันกัดกินจิตของเรานะเช่นกลัวผีอย่างนี้ใช่ไหมค ะ, ะใช่กลัวผีกลัวความสูงไม่ใช่ลักษณะของโฟเบียนะ ฟอร์เบียรนี่ก็ใช้หลักการเดียวกันว่าเผชิญหน้าเหมือนกันแต่ด้วยลักษณะที่ว่าเราจะควบคุมเวทนายอย่างไรมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่หลักการเดียวกันเราต้องเผชิญหน้าทีนี้ว่าอประเด็นที่ว่าความกลัวความกลัวตรงนี้เราต้องละไอ้อกุศลออกก่อนนะทั้งหมดที่เราทําไม่ดีเอาออกก่อนเรให้เป็นคนดีธรรมดาตามปกติละมีศีลเป็นต้นนะเราก็เผชิญหน้ากับเขา ในในเรื่องความกลัวตรงนี้เนี่ยที่ว่าเผชิญหน้าเผชิญหน้าเนี่ยคือเราจะต้องมีทรัพยากรด้วยไม่ใช่แบบคือไปสู้รบเนี่ยอามือเปล่าไปสู้นี่ก็ไม่ได้เรื่องนะ <Okay. S 1> แพ้แน่นอนแล้วสิ่งที่เราต้องไ ป, ปเผชิญหน้าเนี่ยก็คือกุศลธรรมของเรานี่ยก็อย่างที่บอกว่าไอ้เจ้าสิบความไม่ดีเนี่ยเราละไปก่อนเอาตรงนั้นแหละเอาความดีที่เรามีเนี่ยนะเป็นอาวุธในการที่เราจะไปต่อสู้กับความกลัวแล้วก็ การที่เรามีศีลมีสมาธิเนี่ยยิ่งทำให้เราคลายความกลัวได้ได้มากประเด็นที่คุณคุณยมติ๋วพูดถึงว่าเห็นคูดถึเขากลัวเราก็เลยสุขกลัวบ้างอะนะอันนี้มีนะพี่สาวเขาเคยทาการทดลองก็เอาเอาลิงที่เลี้ยงมาในห้อง lab อะ่ะโตมาตั้งแต่อยู่ในห้อง lab เลยเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปสิงเห็นสิ่งภายนอกไม่เคยเห็นต้นไม้ต่างต่างแล้วก็เอาลิงตัวเนี้ยมาให้เห็นงูปลอมงูงูเหลือมเลยนะตัวป ล, ปลอมเนี่ย ที่ทำจากเป็นหมอนค้างอย่างนี้นะลิงก็เฉยๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กินกล้วยไปตามธรรมชาติของมันนะมาเอาอยู่ในกรงปรากฏว่าเขาก็เลยเอาทีวีจอแบนเนี่ยมาฉายภาพวิดีโอของลิงที่อยู่ในป่าอีกตัวหนึ่งนะลิงที่อยู่ในป่าอีกตัวหนึ่งลิงที่อยู่ในป่าเนี่ยภาพในทีวีเนี่ยเป็นลิงที่อยู่ในป่าเห็นงูแล้วกลัวทําท่าชนิดว่ากลัวมากเลยนะให้ดูสัก3ามสี่รอบ นะดูไปดูไปลิงมันไม่เคยดูชีวิตมันก็ดูไปดูไป <c oughs> เห็นลิงเห็นงูเห็นกลัวปุ๊บ <c oughs> เท่านั้นแหละคุณผูมเติ๋วเอ้ยเอางูปลอมเข้าไปมันกลัวมากเลย <Okay. S 1> ลิงในห้องแฝบนะแล <Okay. S 1> ้มันเป็นอย่างนั้นมันเรียนรู้จากจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะทำไมเราตกเป็นทาสของภาษาหรือเปล่าเราตกเป็นทาสของภาษานะเราถูกดึงไปโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เราต้องระวังตรงนี้ไงคนที่จะเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ขนพอง ขนปองคือขนลุก <คะ S 1> แม้ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบแม่ิจใจงี้ดีมากดีมากๆากค่ ะ, ะท่านค้จะพูดว่าต้องมีสติถูกไหมคะใช่คือว่าต้องยืนอยู่ตรงที่เดิมตำแหน่งไหนอันนี้เป็นอุปมาใครที่กลัวอะไรมากๆถ้าจกแก้ก็มาฝึกปฏิบัติอย่างที่ท่านท่านมาร์กนำตอนต้นรายการได้สิคะ เแน่นอนเลยถูกต้องจะค่อยๆพัฒนาไปหรื อ, อยังไงก็ไนะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเขามาทำนานสักแค่ไหนจะหายกลัวนะะเนี่ยค่ะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับไหลทะเลนะคือมันก็ค่อยลาดลงไปเป็นลําดับลาดลงไปลําดับๆนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันก้าวหน้าหรือไม่นะเราดูจากสถานการณ์อื่นๆที่เรายังไม่ได้กลัวนะเราดูจากความกลัวตรงนั้นว่าถ้าเรารเผชิญหน้าัความกลัวตรงนั้นมันหายไปเร็วขึ้นไหมหลังจากที่กลัวจนขนลุกสู้เลย จนถึงหัวจนถึงเท้าเนี่ยมันลุกเป็นเฉพาะบริเวณไหมนะหรือว่ามัน อ, อหายไปเร็วขึ้นหลงจากที่กลัวจนกระทั่งทํำอะไรไม่ถูกนะก็กลายเป็นทํำอะไรถูกบ้างอย่างเงี้ย ก, ก็จะดูความก้าวหน้าตรงนี้ได้มันจะต้องเป็นไหลทะเลอ่ะพระเจ้าบอกไว้เลยนะมันก็ค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปนะคุณไปทีละนิดละนิ ด, นดอย่างนั้นอนะืมแล้วก็อ่าคือคือดิฉันมีประสบการณ์บางอย่างที่ อาจจะต้องพูดอธิบายรวมๆมนะคะว่าการที่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยทำไปนานๆมันจะมีพัฒนาการที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้วเราได้พบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างมหาศารร์คือมีสติที่จะตั้งรับกับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึก ก็จะมีสติตั้งรับได้อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเช่นนี้สติอันเนี้ยเป็นอันเดียวกันกับที่เรามารู้ลมหายใจค่ะอย่างเราสังเกตลมหายใจอย่างเกตลมหายใจคุณมีสติมีสติมีสติมันเป็นกล้ามเนื้อของจิตอันเดียวกันกับเวลาที่คุณเจอคนประดาปุ๊บเรานิ่งอยู่ได้เวลาเด็กค่ะเวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจปุ๊บเรานิ่งอยู่ได้อันเดียวกันอันเดียวกันสติถ้าเรียกมาเป็นกล้ามเนื้อของจิตนะฮะใน เหมือนเหมือนกล้ามเนื้อแขนเราอย่างเงี้ยนะคืออันนี้เป็นแบบอุปมาอุปมาที่จะมายกขึ้นเองนะไม่ใช่พุทธวจนะเพนะ <c oughs> ื่อที่จะให้เข้าใจว่าฝึกได้เช่นเดียวกับฝึกกล้ามเนืนะ้อ <c oughs> ใช่อ๋อใช่ใช่แล้วก็มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นกล้ามเนื้อ <c oughs> มัดเดียวกันที่จะทําให้ิตของเราเนี่ยไปจะตอบรับตอบสนองกับสถาน ก, การณ์ได้อย่างดีทีเดียวค่ะคือนี้เรากําลังพูดว่าหากท่านมีความรู้สึกมีปัญหากับความกลัว ก็ใช้สติเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วมีไหมคะความกลัวที่มีประโยชน์ที่เราควรกลัวกัะทั้งยังกลัวบาปไงดีมากๆเลยกลัวบาปมีกลัวอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีประโยชน์เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นองค์คุณแห่งนิพพานคือฮิริโอตปะความกลัวและความละอายต่อบาปให้กลัวกลัวบาปกลัวมากๆเลยกลัวบาปเนี่ยให้มากๆเลยยิ่งดีเป็น อะไรอะไรของนิพพานนะคะเป็นองค์คุณแห่งนิพพานเป็นองค์คุณแห่งนิพพานเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหฮิริโอตปาตนี่ทําให้ถึงนิพพานได้เลยนะคุณยมเตี๋ยวมีรายละเอียดของหิริโอตปาตไหมคะมีฮิริเนี่ยคือความละอายต่อบาปโนะอตปา ค, คือความกลัวอ่าขอไปฮิรินี่คือความกลัวต่อบาปโอตปะ ค, คือความละอายต่อบาปนะ่ะละอายกลัวต่อกายทุจริตีม่จริตไม่จริตจริต นะเอาตบาก็คือความละอายต่ อ, อากายวาจาใจอันเป็นทุจริตกลัวนี่คือหมายความว่าเราเรากลัวที่เขาจะลงโทษนะนะกลัวถูกลงโทษอย่างเงี้ยกลัวถูกลงโทษอายนี่ก็คือว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาหรอกอายละอายเวลาที่เขาจะมาเห็นว่าเราทำมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่กลัวกับลายตบบาบเนาะนก็วันนี้ก็ได้ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่า นอกเหนือจากกลัวให้ใช้สติสู้แล้วฝึกได้ด้วยการฝึกสมาธิอย่างที่ฝึกกันอยู่เป็นประจำทุกเช้าอย่างได้ทราบว่าองคุณอะไรนะฮะอ ง, องคุณ แ, แห่งนิพพานนิพพานคือธรรมที่มีอุปการะมากปฏิบัติแล้วคุม้มคือการกลั ว, ลวในเชิงที่ต้องกลัวคือกลัวบาปใช่ฮิริโอตปะ นะคะความละอายความกลัว<ช>วันนี้เราคงจะได้ทีเด็ดอันนี้นนไปใช้กันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่ผู้ฟังรายการสันนีสนทนาอาจจะไม่ได้ฟังพระอาจารย์ไพบุนพิปุญโนแต่ท่านยังจะไปจัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันนี้เสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะถูกต้องก็เชิญไปพบกับพระอาจารย์ที่นั่นวันนี้กราบมหการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเชิญาน คารท่านฟังที่ครพค่ารายการสัสนีสนทนาเราจะมาพบกับท่านพร้อมๆกับพระมาชาคาวโรและพระพบูลุญอภิปุโนโ ท, ที่สถานีวิทยุเอฟเอ็ร้อยหครอบครัวข่าวแห่งนี้กันในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านได้น้อมนอําเอาธรรมะ ท, ที่ฟังมาทั้งสัปดาห์นะคะเอามาทดลองปฏิบัติและไม่ต้องปฏิบัติเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะการจะปฏิบัติตามคันลองของพระาศาสดานั้น ทำได้ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีและชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ